การเจริญสติแบบเืดองต้นสำหรับผู้ใหม่โดยสระมหาดิเรกพิยานันทวัดป่าพุทธยานันทารามถนนเคียวั斯เวกัตมุรลัดเิวดาเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2541การเจริญสติเป็นเทคนิควิธีการนั้นหนึ่ง ที่จะทำให้ชีวิตของคนเนี่ยไม่มีความทุกข์เพราะคนทั่วไปไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทำใจได้เป็นไปตามเหตุการณ์เป็นไป ก, ก, ก, กับสิ่งแวดล้อมเป็ <c oughs> นกระทงในชีวิตนี้เรียกว่าหมุนตามความคิดตามสัญชตาตญาณตามความอยากอยู่ตลอดเวลา ทีนี้นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษามไม่ได้ปฏิบัติก็คิดว่าการเจรินสติการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ว่าชีวิตก็เรียกว่าไม่เป็นชีวิตมีแต่ความดินน้นรนเล่าร้อนแสวงหาความสุขสนุกสนานกับสิ่งภายนอกตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองบางคนที่มีความฉลาดก็สามารถ วิ่งหาวัตถุภายนอกมาตอบสนองความอยากของตนได้อย่างดีเหมือ น, นหนึ่งก็ว่าไม่ทุกแต่ความจริงแล้วเขาก็ทุกเลยแต่เขาไม่รู้จักทุกเขาก็นึกว่าอันนั้นคือความสุข<ม>แต่ในพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นความทุกข์เพราะแวงตามความคิดวิ่งตามความอยากไม่มีที่สิ้นสุด<ม>และในขณะที่วิ่งตามความคิดความอยากก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายปัญหากับคนอื่นปัญหากับตัวเองปัญหากับครอบครัวแต่ มันเป็นเช่นเหมือนกับนอนอยู่ในเส่วมที่โบราณว่านกอยู่บนฟ้านกไม่เห็นป้าปลาไม่เห็นน้ําคนไม่เห็นทุกมีค่าเท่ากันดังนั้นโลกของเราก็จึงสึ้นเปลืมากมายเพราะคนแต่ละคนใช้แต่ไม่สมองแสวงหาความสุขภายนอกมาเป็นเปอรตัวเองคนฉลาดมากก็หาได้มากเป็นเปอรได้มากคนฉลาดน้อยหาได้น้อยเป็นเปอรได้น้อยก็มีความทุกข์เท่ากัน ในวิธีการจเจริญสติเนี่ยเป็นหลักที่ภูริจารถันค้นพบเมื่อ 2,000 กว่าปีคือมาศึกษาว่าจิตใจของเราทําไมมันจริงอยากทำามมันคิดทมมําไมมันจริงโลภทําไมมันจึงโกรธเมื่อตาหูจมูกนิ้นกายใจกระทบกับกูศเสียงกินรสแล้วก็วิ่งตามพระพุดดะพทธองค์จึงศึกษาเรื่องนี้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องศึกษาต่อไป เพราะการเจริญสติในวิธีการของพู้เถียนนั้นไม่ได้ใช้อาบทกรรมฐานจากลมหายใจอย่างที่ทั่วไปใช้กันไม่ต้องนั่งทรมานตัวเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยอหลักทฤษฎีอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามาสำรวจรูก้การเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะเราทุกคนมีมการเคลื่อนไหวของร่างกายมีตลอดเวลาแต่ไม่เคยที่จะเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้การเคลื่อนไหวนั้น ผูกความสนใจข้างนอกดึงดูดไปหมดไม่เคยกลับหันมองดูตัวเองทีนี้เมื่อได้รับการกระตุ้นบอกเตือนบางคนก็มองดูตัวเองจะมองอย่างผิดๆมองว่าเรามาเป็นใครเรามาจากไหนเราเป็นอะไรแล้วก็มองว่าเรารู้สึกอย่างไรมองแต่อย่างนั้นแต่ความจริงถ้ามองตามหลักในการปฏิบัติต่อชีวตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วที่มอง ว่าตัวเราเองนี้ก็คือตัวความรู้สึกและการเคลื่อนไหวตัวจิตตัวใจซึ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวธรรมชาติที่เกิดจากดินน้ำไฟล ม, มาสมผสมผ ส, ส, สานกันอย่างพอดีแล้วก็เกิดมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเองคนส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้จากท่านผู้รู้ก็สําคัญมันหมายว่ากายเป็นของตัวเองใจเป็นของตัวเองเพราะว่า ธรรมชาติสอนให้คนเข้าใจตัวเองว่าเป็นตัวของตัวเองมาตลอดตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนปัจจุบันฉังนั้นเองคนถึงได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะกายก็เปลี็นแปลงตลอดเวลาจิตก็เปี็นแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจกายของเราไม่เข้าใจจิตของเราเมื่อมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางกายทางจิตส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมทางไม่ดีทางเจ็บทางป่วยทาง ทุกทางคิดทางน่ตกกังวลไปเปลี่ยนไปในทางนั้นอ่าเหมือนน้าที่เราเทแล้วเนี่ยมันไม่เคยไหลขึ้นมันมีแต่จะไหลลงลูกเดียวจิตของเราเหมือนกันความรู้สึกมิทิษฐ์ร่างกายของเราเหมือนกันเวลามันเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลงเท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปทางขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีทางพัฒนาท่านก็เรียกว่า ต้องมาภาวนาถ้าเป็นวัตถุทําให้มันดีขึ้นก็เรียกว่ามาพัฒนาถ้าเป็นจิตใจจะทําให้มันดีขึ้นไม่ให้มันเปลีป่ยนแปลงไปไทางลงท่านก็เรียกว่าภาวนาดังนั้นเองพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเป็นตุกมาถึงปัจจุบัน 2,540 ปีแล้วนี่ก็ไม่เสื่อมคลายในการที่จะภาวนาเพราะการพัฒนาทั้งนวัตถุนะั้นมันไม่ที่สิ้นจุดพัฒนาไประยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็เสื่อมก็เสี ย, ก, ส ย, ก, สยก็เกา่า ก็แตกก็หักไปก็พัฒนาใหม่แทนอีกก็สักพักหนึงก็เก่าก็เสียก็เสื่อมก็ขาดไปก็พัฒนาแล้วแล้วเล่าๆอย่างนั้นการพัฒนาวัตถุที่ไม่มีสิ้นจบนี่เองพระอริยเจ้าท่านหลายท่านเห็นว่าเป็นความเมินนายความน่าเบือ่อไม่มีสาระเพราะไม่เป็นสังขารดังนั้นท่านจึงมาหันมาพัฒนาทงนางด้านจิตใจเรียกว่าภาวนาการพัฒนาตามหลักของพุทธศาสนาคือการมา ศึกษาจิตของเราว่าจิตของเราวันหนึงน่งมันคิดอะไรบ้างในขณะที่มันคิดมันเริ่มต้นอย่างไรในขณะที่มันคิดคิดเรื่องดีหรือไม่ดีศึกษาอยู่เนี้ตลอดทั้งคืนทั้งวันจนึงจะทั่งจับหลักได้ว่าจิตเกิดขึ้นอย่างไรทําไมมันจึงคิดเรื่องนี้คิดเพราะอะไรเข้าใจกลไกของจิตเหมือนกับคนที่ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจกลไกของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอวิทยุทีวี กระทั่งคอมพิวเตอร์เมื่อเข้าใจกลไกของมันแล้ก็จัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีได้อไนะม่ให้มันเสื่อมไปจิตใจของเราก็ทํางานเหมือนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจจิตของเราเราก็จัดการจิตของเราไม่ได้แล้วก็ปล่อยจิตของเราไปในทางเสื่อมเหมือนกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเสื่อมมันเสียมันใช้ไม่ได้นะทุกคนเป็นช่างกา แ, แก้ไขเป็นใจของเราเหมือนกันพระอาเรชเจ้าทั้งหลายในท่านเป็นช่า ง, ง, งจิตช่างใจ ช่างของจิตช่างของใจนะเพราะนั้นโบราณเขาจะรียรู้จักช่างจิตช่างใจทีนี้หมายเขาว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นนายช่างานับตั้งแต่พระอริยเจ้าชั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านจะแก้ทุกข์ของท่านเป็นแก้ทุกข์ว่ า, ามันคิดเพราะอะไรมันไม่คิดเพราะอะไรแล้วดํารงจิตไว้อย่างไรถึงจะไม่ทุกข์นี่พระอริยเจ้าท่านหลายท่านจะทํางานอันนี้อยู่เสม อ, อท่านไม่ปล่อยให้จิตเนี่ไปโลภไม่ปล่อยให้จิตไปโกรธไม่ปล่อยให้จิตไปหล ง, ลง เมื่อมีการกระทบ ก, กันทีไรท่านก็จะเอาสติมาใช้แต่ที่นการเจริญเอาสติมาใช้ต้องมีการเจริญมีการพัฒนานะะธรรมะนี่เป็นเรื่องของอาการพัฒนาทั้งนั้นแต่ว่ามีขอบข่ายที่กว้างขวางมากไม่รู้จะจับเอาจุดไหนขึ้นก่อนแต่มาพูดถึงเรื่องภาวนาแล้วก็แบ่งเป็นสองคือภาวนาทางทําจิตให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาทําจิตให้สงบอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาแล้วก็ ภาวนาทําให้เกิดปัญญารู้จักตัวเองรู้จักกายจักใจใช้กายใช้ใ จ, ใจเป็นเราเรียกว่าวิปัสนาปัญญาดังนั้นวิธีการที่จะบอกต่อไป น, นี้นั่นเป็นวิปัสนาปัญญาโดยการเจริญสติแบบของหพ่อเทียน<ม>อันดับแรกที่สุดให้มีความตั้งใจมีความฝักใฝ่ว่าเราอยากจะออกมาจากความคิดออกมาจากความโกรธความโลภความหลงให้ตั้งใจเอาว่าอย่างนั้นทำยังไงถึจะออกมาได้โดเที่ก็ยังเป็นคนหัดเป็นชาวบ้านอยู่ ไม่จำเป็นต้องบวทเป็นพระไม่จําเป็นต้องไปอยู่วัดทพียงจะทําอย่างพระได้ไหมได้เนะพราะพุทธศาสนาเน้นสาธุคนสาธุคนทั่วไปสําหรับคนทุกคนแต่ประการสําคัญต้องปฏิบัติให้จริงและให้ถูกต้องเท่านั้นคือเคล็ดลับถ้าปฏิบัติไม่จริงไม่ถูกต้องก็ก็จะยากกว่าคนที่อยู่วัดได้ซ้ําไปอันนี้ในการปฏิบัติแบบ <c oughs> ต่างๆที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ย ก็เร่มาจากสมถะนั่นเองแต่ว่าสมถะนั้นเป็นหลักไม่ใช่พุทธศาสนาโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าท่านประยุกต์มาใช้เพราะสมถะนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเพก็เป็นอุบายทํำจิิตให้สงบเท่านั้นเองเี่ยซึ่งจะใช้ลมหายใจแบบไหนก็ได้ที่เขาเขาทำกันแต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้ลมหายใจอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าจิตของเราชีวิตของเราเนี่ยมันมีความได้รับการกระทบได้รับ การรับเอาข้อมูลต่างๆเข้ามาในใจนี้มากมายซึ่งต่างกับคืสมัยก่อนคนสมัยก่อนการกระทบทางจิตใจนี้น้อยข้อมูลต่างๆเข้ามาสู่จิตใจนี้น้อยจึงเป็นการง่ายในการที่จะกํากหนดรู้พัฒนาจากการใช้ลมหายใจทุกระบบก็ใช้ได้แต่ปัจจุบันใ้โลกมันเปลี่ยนไปไมาคือโลกของการพัฒนาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะรับรู้ในใจนีมากมายและตลอดเวลา เพราหนด ล, ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยกาลังมันไม่พอนะฮะดันั้นเองเมื่อหลวงพ่อเทียนท่านเกิดขึ้นท่านก็นําเสนอการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวการยกมือสร้างจังหวะนะถือว่าการสร้างจังหวะนี่ใช้สมมตินหนึ่งว่าเดินจงกรมด้วยลมหายใจก็ได้แต่ว่ามันมีข้อแตกต่างก็คือว่าการนั่งเสร้าจังหวะเนี่ยเราจะไม่หลับตานะจะไม่หลับตาแล้วก็นั่งในอินดิบทใดก็ได้ ัจะเป็นพักเพียบกสมาจิการ น, นั่งเก้าอี้จาร น, นั่งเหยียดขานะได้ทุกวิริยะบทเว้นจากเดินถ้าเดินจนกลุ่มเน่เราจะไม่สร้างจังหวะอนะนั่งอีบุเรนั่านั่งเต้นนั่งยืนเป็นนอนเนี่ยทําจังหวะได้ทั้งนั้นนั่งก็สามารถนั่งได้สารพัดแบบแต่ว่ารักษาการเคลื่อนไหวยกมือเอาไว้ซึ่งได้นําเสนอแล้วไปในหนังสือบ้างในเทศบ้างนะซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักอยู่ นั้นเองการจเจริญสติแบบนี้ข้อสําคัญก็อยู่ถึงที่ว่าการที่เราสามารถจะนั่งยกมือสร้างจังหวะเป็นจังหวะได้นานๆทั้งหมดจะมีสิบสี่จังหวะการนั่งสร้างจังหวะแบบนี้เป็นการใช้สติกำหนดรู้ ก, การยกขึ้นแต่ละครั้งการเคลื่อนแต่ละครั้งเอาสติไปกำหนดตัวตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องไปอซูงแต่งหรือไม่ต้องไปคิด มีความหมายอะไรกับการจะทำให้รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกแบบที่ไม่ต้องมีอะไรนะทํายูอย่างนั้นเพราะตามปกติจิตของคนเราเนี่ยมันอยู่เฉยเฉยไม่ค่ได้มันหาเรื่องไม่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่อยพวกมันตามหน้าที่ของมันแต่ที่นี้เราต้องการที่จะเอาตัวรู้สึกจากสติเนี่ยเข้าไปแทรกไว้ในความรู้อันนั้นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยอไม่หวกแปลกวั่นไหวไปกับสิ่งที่กระทบเพา ะ, ะน้นการแทรกตั้ง ว่ามัเป็นลำดับลำดับลำดับหนึ่งเป็นการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าแล้วข้อมูลอะไรต่างๆเกิดขึ้นจากการกระ ท, บทุบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะถูกกาหนดรู้อะไรก็ตามการกระทุบนั้นเมื่อถูกกาหนดรู้แล้วมันก็จะกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติกาหนดรู้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือมีสติ ก, กําหนดรู้ แล้วรู้แล้วก็กําหนดรู้ให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดของอารมณ์ต่างๆาอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเรเตรีกรองเมื่อกระทุบเสียงกรองมันถึงเกิดเมื่อไม่ไมตีเสียงกรองมันก็ไม่มีถ้าเราจะถามว่าเสียงกรองอยู่ที่ไหนอยู่ที่หูของเราอยู่เช่ในกรองหรือที่ยี่้อนตีเนี่ยเราตอบไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่า มันไม่ครบองค์ของมันครบองค์ก kind of ็หมายความว่าเสียงกลองจะเกิดเมื่อมีการตีเมื่อมีกลองนั้นทั้งสี่เจ็ดลัมแล้วก็ตีแรงพอที่จะดังได้องค์ประกอบของมันเสียงกรองก็เกิดอเมื่อเกิดไปแล้วมันก็ดับไปตีใหม่ก็เกิดใหม่ชันใดก็ดีความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวนี้ก็อาศัยการกระทบอายตนะภายในเหมือนหน้ากรองอายตนะภายนอกเหมือนค้อนที่ตีนะฮะ ไม่ใช่นั่นเองความคิดความหวังความอยากต่างๆเหมือนเสียงที่เกิดขึ้นจากกลองเพราะนั่นเองความคิดและความปรุงแต่งความอยากต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมีเหตุให้เกิดเหคือการกระทบของทั้งสองฝ่ายเครือยานตนาภายในภายนอกเขตตากระทบรูปเพเกิดความคิดบางครั้งมันก็ไม่เกิดบางครั้งม่เกิดความคิดดีบางครั้งก็เกิดความคิดไม่ดีบางครั้งก็เฉยๆ ตาหูจมากลิ้นกายใจแมื่อกระทบกระเสียงจิตแสัมผัสอารมณ์แล้วบางครั้งก็รู้สึกดีบางครั้งรู้สึกไม่ดีบางครั้งรู้สึกคิดดีบางครั้งรู้สึกคิดไม่ดีจา ก, ค, กความแกรกระทบอันนั้นบางครั้งรู้สึกเฉยเฉยจะมีสามลักษณะยี่ยื่ยู่เสมอแต่คนเราส่วนใหญ่นี่คาสติไม่ได้ฝึกฝนสติเอาไว้หรือสติที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติทุกคนมีสติเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเป็นสติที่ไม่ถูก เป็นปัญญาที่ไม่ถูกนะเพราไม่ได้กำหนดรู้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสติปัญญาที่ไม่ได้กำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นสติปัญญาที่เป็นยุปสรนาเป็นสติปัญญาภายนอกก็เรียกว่าเป็นโลกิยาสติโลกิยาปัญญาแต่สติปัญญาใดที่ทําหน้าที่มารับรู้ต่อการกระทบตาหูจมูกลิ้นใจกระทบกับลูกเสียงจิตและสัมผัสสติปัญญานั้นเราเรียกว่าสัมมาสติหรือสัมมาปัญญาเป็นสติปัญญา ที่เป็นโลภุตระเป็นสติปัญญาในพระพุทธศาสนาะซึ่งสติปัญญาภายนอกเนี่ยเราจะเรียนรู้เราจะศึกษามากมายมหาศาลจบกวัตเตอร์กีดีกีก็ตามไม่สามารถจะมารู้จุดนี้ได้การที่จะมารู้การกระทุกทั้งสองฝ่ายในใจเกิดความคิดขึ้นเนี่ยต้องมีการปฏิบัติโดยเฉพาะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะเราเรียกการเจริญภาวนาหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานเพื่จะมาศึกษาให้เรียนรู้ให้ เท่าทันต่อการจระทุบนี้เท่านั้นะดังนั้นเองการสร้างจังหวะจงึงมีออยู่แบบเดียว14จังหว ะ, ะคือวางมือทั้งสองบนเข่าทั้งสองเราจะนั่งในยรบนบทไดก็ได้แล้วก็เริ่มจากมือขวานะเริ่มจากมือขวายกมือขวาขึ้นตั้งบนเขา่าเป็นจังหวะที่หนึ่งนะแล้วก็ยกมือขวาขึ้นข้างลำตัวเป็นจังหวะที่สอง แล้วเอามือขวาเข้ามาทับไว้ที่หน้าท้องเป็นจังหวะที่สามแล้วตั้งมือซ้ายไว้บนข่าซ้ายเป็นจังหวะที่สี่ยกมือซ้ายขึ้นข้างลําตัวเป็นจังหวะที่ห้าเอามือซ้ายมาประกบกับมือขวาซึ่งอยู่ที่หน้าท้องเป็นจังหวะที่หกจังหวะที่หกให้จําไว้เลยว่ามือขวากับมือซ้ายเนี่ยประกบกันอยู่ที่หน้าท้องจังหวะที่เจ็ดจะลุ่มดึงมือขวาที่อยู่ด้านในเนี่ยขึ้นมาตั้งขึ้นมาทับไว้ที่หน้าอกจังหวะที่เจ็ดจังหวะที่แปด เขาก็จะเอามือฝวาเนี่ยออกมาข้างลําตัวเจังหวะที่เก้าจะเอามือขวาที่อยู่ข้างลําตัวเนี่ยลดลงไปตั้งที่บนข่าเจา้าวะที่สิบจะค้มมือที่ตั้งไว้เนี่ยอบไว้ปกไว้บนข่าขวาเจ้าวะที่สิบเอ็ดก็จะเลื่อนมือซ้ายที่เข้ามาอยู่ที่รออยู่ที่หน้าท้องเมื่อกี่ในจังหวะที่กหกเจ้าวะที่ สิบนี้ก็เลื่อนมือขวาขึ้นที่หน้าอกจังวะที่สิบเอ็ดเอามือขวาออกข้างลาตัวจังหวะที่สิบสองเกดตั้งอเอามือขวาเอามือซ้ายลงจังหวะที่สิบสามเอามือขวาบนเอามือซ้ายนีวางไว้บนเข่าแล้วเขาังที่สิบสี่ก็คูดมือซ้ายลงนี่อันนี้พูดอีกทีหนึ่งว่านั่มในเรียอบทใดก็ได้วางมือทั้งสองไว้บนเข่าทั้งสองเริ่มจากมือขวาก่อน ตั้งมือขวาขึ้นบนเข่าขวาเป็นจังหวะที่หนึ่งเอามือขวาขึ้นข้างลําตัวเป็นจังหวะที่สองเอามือขวามาที่หน้าท้องทับไว้ที่หน้าท้องเป็นจังหวะที่สามเอาเอาทับไว้ตรงนั้นก่อนแล้วมาเริ่มจังหวะที่สี่เลิกมือซ้ายตั้งบนเข่าซ้ายจังหวะที่ห้าเอามือซ้ายขึ้นมาข้างลําตัวจังหวะที่หกเอามือซ้ายมาประกบกับมือขวาอยู่ที่หน้าท้องจังหวะที่เจ็ดเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้า จังหวะที่แปดเอามือขวาเอาข้างลําตัวจังหวะที่เก้าเอามือขวาลงมาตั้งบนเข่าขวาจังหวะที่สิบพ่วงมือขวาลงบนเข่าขวาจังหวะที่สิบเอามือซ้ายขึ้นอยู่หน้าท้องเลื่อนขึ้นมาที่หน้าอกจังหวะที่สิบสองเอามือซ้ายที่อยู่หน้าอกออกมาข้างลาตัวจังหวะที่สิบสามเอามือซ้ายตั้งบนเข่าซ้ายจังหวะที่สิบสี่พ่วงมือซ้ายลงจะครบเป็นสิบสี่จังหวะ ในขณะที่ยกพลิกใจและจังหวะจังหวะนี้มีสติก็ไปกําหนดรู้ตรงนี้ก่อนเมื่อกําหนดรู้ตรงนี้ชัดเจนนะซ่องจนจําได้ช่วงแรกมันยังจำไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆสิบผลยี่สิบผลสิบรอบยีบบส่ ส, สิบรอบทาไปจนกระทั่งมันจําไม่จําได้แล้วไม่ต้องนับนะเอาการนับออกไปให้เหลือแต่อาการอย่างเดียวแล้วเมื่อมีอาการที่ทําอยู่อย่างนี้สติสัมปชัญญะก็จะ กำหนดรู้ไปเป็นจังหวะจังหวะของการเคลื่อนไหวในขณะที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยสติเราก็มากำหนดรู้อยู่ก็เลยใกล้ตัวสติกำหนดรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวมันเป็นจังหวะจังหวะแล้วสังเกตใจไปเรื่อยๆในขณะที่สร้างจังหวะเนี้สังเกตใจใจเราเนีจะไม่คิดออกนอกไม่ให้นปุงแต่งคิดอะไรนะถ้ามันคิดไปจังหวะมันอาจจะผิดก็ได้จังหวะมันจะสับสนหรือจังหวะมันอาจจะเร็วขึ้นหรืออาจจะผิดจังหวะก็ได้ถ้าเราคิดออกไปสําหรับผู้ใหม่เนี่ย แต่ผู้เก่าที่เคยทำมานานแล้วบางทีนั่งไปคิดไปก็ทำไปคิดไปก็มีเพรามันํานามันจําได้มันเป็นสัญญาแล้วมันกลายเป็นสัญญาถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงต้องคอยระลึกอยู่เสมอนะไม่ปล่อยจิตออกนอกแต่ขณะเดียวกันในการกำหนดรู้นี่ไม่ต้องเท่งทําสบายๆเหมือนเรายกมือเล่นๆแต่ไปกำหนดเท่งจ้องเกินไปนานๆไปมันจะเครียดมันจะปวดหัวมันจะปวดเบ้าตาแล้วตาเราก็ไม่ต้องเหลียวมองตามการเคลื่อนไหว ทำใจให้สบายๆตามองจิไใดจิตหนึ่งก็ได้แล้วกําหนดรู้การเคลื่อนไหวไปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่หยุดจนกระทั่งว่าอ่าเราสังเกตใจหนึ่งเนี่ยสังเกตอยู่ที่ความคิดถ้าหากว่ามันคิดถ้ามันไม่คิดก็มากําหนดรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันคิดก็ส่วนหนึ่งรู้ที่การเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งก็มารูร้อยู่ที่ใจ จดวงเดียวนั่นแหละแต่สามารถรับรู้ได้หลายอย่างเหมือนกับหลอดไฟหลอดเดียวแต่ว่ารักมีะมันรอบตัวเลยนะเราจะเข้ามุมไหนมันก็ก็เห็นได้ทั้งนั้นจิตของเรามีดวงเดียวด้วยจริงแต่สามารถรับรู้ได้รอบตัวอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมารับรู้ได้หมดนะในขณะเดียวที่เรานั่งสร้างจังหวะรับรู้การสร้างจังหวะไปด้วยรับรู้ภาวะของจิตไปด้วยแล้วจิตของเรากําลังคิดหรือไม่คิดถ้าไม่คิดก็มารับรู้ที่การเคลื่อนไหวยอย่างเดียวมากๆหน่อย ถ้ามันคิดก็ให้กําหนดรู้ลงไปเออขณะนี้คิดแล้วนะขณะนี้คิดแล้วแล้วถ้าความคิดนั้นไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปเลยอย่าให้มันมาอยู่ตรงนั้นนานแต่ถุกความคิดนั้นจําเป็นที่ต้องคิดก็ก็กําหนดรู้ไปจนมันจบเรื่องขึ้มมนแต่ว่าส่วนใหญ่ความคิดที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ไม่จําเป็นหรอกแต่เรามันเคยคิดเป็นนิสัยมันก็ดูเหมือนว่ามันจําเป็นแต่ในแง่ของการภาวนาแล้วเนี่ยความคิดทุกอย่างเนี่ยต้องถูกตรวจสอบไง เรามันเข้ามาสิ่งเรื่องเดียวที่มันจะทําได้ไปเหตุเป็นผลอาจจะมีเรื่องสองเรื่องแค่ น, นั้นเองะแต่นอกจากนั้นมันเป็นเรื่องที่เลือยเปื่อยเฉยแฉะตามอันนี้ใส่ตามความเคยชินของเราเพราะฉะนั้นไอความคิดเกิดขึ้นตามความเคยชินเนี่ยท่านบอกให้กําหนดรู้แล้วตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องไปเปิดต่อหรือไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อไปนะแต่มาคอยกําหนดรู้เมื่อเรากำนรู้การเคลื่อนไหวยอยู่เรื่อยๆห ม, มนมติว่าเราได้ไปริย สติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปในคราวเดียวกันนะอาการที่จิตกระตุน้นให้ยกบเรื่อยๆเนี่ยเป็นสตนะิการที่เราตั้งใจทำเนี่ยเป็นสมาธิแล้วการรับรู้ทั้งภายนอกภายในตลอดเวลาว่าอะไรกำลัมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จิตของเราความคิดอะไรดำลังเกิดความคิดอะไรกำลังดับความคิดและความรู้สึกประเภทไหนกำลังอยู่ขณะ น, นี้เราเรารู้เรารู้จักอยู่การรู้จักอาการภายนอกภายในอย่างชัดเจนนี่เรียกว่าปัญญานะ เพะการเจริญสติอย่างเดียวนี้จะได้สมาธิปัญญาเป็นตัวนี่หมายถึงว่าการทําสติถูกต้องแต่ที่หาว่าการเจริญไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ได้ทั้งสติสมาธิปัญญาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคนทั่วไปบางคนก็ได้ผลไวบางคนได้ผลช้าขึ้นอยู่ตัวนี้เองคนที่ปฏิบัติได้ผลไวตัวหมายเพราะว่าคนนั้นมีสติตั้งมั่นมีจิตใจเข้มแข็งและมีปัญญาว่องไวนะะสามารถจะรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของตนเองได้ตลอดเวลา เราสามารถจัดการกับความคิดความปรุงแต่งของตนเองได้ตลอดเวลาที่มันเกิดนี่เขาเรียกมีสติปัญญาไวนะฮะ <c oughs> ทีนี้ถ้าจะถามว่าจะทํานานเท่าไหร่แต่ละครั้งผู้ใหม่ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็จะทํานานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหากว่ามีความจเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในอเมริกาหรือี่คนในโลกปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าปัญหาเรื่องเวลาน้อยเวลาไม่มี เ, เวลา ที่จะมาทําโดยเฉพาะนี่ไม่มีอันนี้คือปัญหาใหญ่แต่ความจริงแล้วเนี่ยคนเรามีเวลาอยู่นะเวลาแต่ช่วนใหญ่เราเอาเวลานั้นไปเขาเรียกว่าไปคี่คลายไปหาทางออกเพราะมันตึงเครียดเน่องจากการประกอบอาชีพธุรกิจการงานเครียด<อ>ก็อยากจะหาทางออกการหาทางออกก็ไปเล่นไปกินไปดื่มไปสนุสนานไปดูไปคุยกันเนี่ยเวลาเหล่านั้นถ้าเราตัดคัดออฟมาในการ มาเจริญสติอย่างไม่เสียนแล้วก็มีเวลามาก ม, นะมายนะเมื่อเราเจริญสติแบบนี้เข้าใจและเจ น, ค, นเคร่องแคล่วแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่ามันได้ผลไม่ได้ผลสังเกตอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราไปทําอะไรก็าตามในงานประจํำของเราเนี้ยจะเป็นล้างถ้วยล้างจานถูบ้านถูเรือนทํากับข้าวหรืองานอ่าในที่ทํางานของเราถ้าเรามีสติตามทันการเคลื่อนไหวเหล่านั้น ถ้ามีสติลึกรู้ในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้ตลอดชัดเจนและตลอดเวลาด้วยเราเรียกว่าตามปฏิบัตินั้นได้ผลแล้วระดับที่หนึ่งผลของการปฏิบัติระดับที่หนึ่งคือสามารถจะลึกรู้ได้ในอาการการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างปกติไมายว่าเราจะไปทําอะไรมันจะ ล, ลึกรู้ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่ก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติเรา ล, ลึกรู้ไม่ได้เรามุดหมุนไปเคลื่อนไปตามสัญชาตญาณตามความเคยชินของเราเราจะทําอะไรเราจะ ยืนอะไรต่างๆแล้วก็ก็ไม่รู้สึกตัวนะเราทำไปตามความอยากนี่เขาเรียกว่าภาวะก่อนปฏิบัติเป็นอย่างนั้นภาวะที่หลังปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกก่อนที่จะยื่นมือออกไปก็รู้สึกความรู้สึกอยู่ที่ปลายนือวของเราตอนเหยียก้าวออกไปมันก็รู้สึกว่าความรู้สึกจิตใจของเรามาอยู่ที่เท้าของเราตอนที่จะเคลื่อนตัวไปตรงไหนไม่ว่าจะข้มจะเงยเลี้ยวซ้ายไหลขวาขููเหยียดเคลื่อนไหวเนี่เราจะรู้สึกโดยธรรมชาติของสติ ไม่ใช่รู้สึธรร ก, ส ก, กธรรมชาติของกิเลสถ้ารู้สึกตามธรรมชาติของกิเลสก็รู้ไปคิดไปเคลื่อนไปไหวไปโดยที่ไม่รู้สึกหรอกท่านี้ว่าธรรมชาติของกิเลสมันพาไปซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องพยายามเท่นั้นเองะเหมือนกับการวาดลูกเนี่ยทุกคนวาดได้แต่จะเป็นไม่เป็นสวยไม่สวสอยขึ้นอยู่กับความพยายามของคนถ้าไม่จําเป็นจะต้องว่าคนได้มีามสวรรค์เท่านั้นะคนไหนก็ได้ที่มีความอยากจะวาดต้อวาด อย่าสวยไม่สวยอีกเรื่องนชั้นใดก็ดีการปฏิบัติแบบนี้ก็มันจะทำได้ทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคนนั้นต้องการที่จะรู้จักทุกรู้จักตัวเองหรือเปล่าจะต้องการที่จะมีชีวิตนี้อยู่อย่างไม่ทุกข์หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะถ้าหาว่าเรามั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถแล้มั่นใจในโลกิยะปัญญาของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอหรเราจะระมัดระวังเราจะสังวรเราจะอระวางังแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดเพราะว่า มันเป็นเพียงตานอกถ้าเรามีโลกีบปัญญาก็คือมีเพียงตานอกถ้าเรามีกุตลโลกุตตะลปัญญาก็มีตาในาด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องร่งางกายเรื่องภายนอกเนี่ยคนมีสติปัญญาอ่าระดับหนึ่งนี่ก็สามารถจัดการได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำแต่ว่าคนที่มีสติปัญญามากขนาดไหนถ้าไม่มาเจริญภาวนาเนี่ยก็มีโอกาสพลาดในเรื่องจิตใจพลาดในเรื่องจิตใจคือพลาดอย่างไรคือเผลอโลก เผลอโกรธเผลอหลงเผลอรักเผลอชังเผลอคิดเผลอปรุงเผลอแต่งเนี่ยพลาดแล้วแต่จิใจของคนที่สกแล้วเนี่ยจะไม่เผลอจะคิดจะรักจะชังจะชอบก็รู้แล้วก็ตัดออกไปได้รู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นทางไม่ดีเนี่ยก็สามารถตัดออกไปได้อย่างรวดเร็วนะสิ่งไหนเป็นเป็นทางดีก็สามารถลงมือทําได้ทันทีไม่มีอุปสรรคขัดขวางอันนี้แหละเป็นการพุทธมาจิต ทีนี้การเดินสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันมีสองสองฟอร์สองแบบใหญ่ใหญแบบแรกฟอรมแรกก็คือการนั่งตั้งจังหวะนี่ในกรณีที่เราเลื่อนซั่งไปนนานๆนยู่เลื่อปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันเพลียมันเซ็งเราก็ใช้แบบที่สองคือการเดินจงกรมนะกาเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมานั่นเองเดินอ่าไม่ใช่เดินวนกลมนะเดินจงกรมหมายถึงว่าเดินเป็นเส้นตรงเดินไปประมาณสัก สิบเก้าและสิบสองเก้าเดินเป็นเส้นตรงไปถึงสุดที่ที่เอ็มแล้วก็กลับในขณะที่เดินนั้ก็มีกติกาว่าต้องเก็บมือเป็นกอดหน้าอกจะเป็นควยหลังหรือจะเป็นเก็บไว้ข้างหน้าก็ได้นะเก็บไว้ข้างหน้าแล้วก็ในขณะเดินต้องไม่แกว่งแขนนะเราเก็บไว้เพื่อป้องกันความุ้งส้นป้องกันความเคยชินอนี้เป็นกฎอันหนึ่งแล้วก็ในขณะเดินก็ ไม่ต้องเดินช้าแล้วก็ไม่ต้องเดินไวเดินปกติในขณะเดินนี้สายตาเราก็มองไปข้างหน้าไม่ใกล้เกินไปและไม่ไกลเกินไปทุกอย่างทางสายกลางถ้าใกล้เกินไปสายตาก้มใกล้ตัวเกินไปนานๆเราจะรู้สึกเครียดรู้สึกเครียดแล้วก็คลุมคิดถ้ามองไกลเกินไปเราจะรู้สึกว่ามันเบลอแล้วก็คงสร้างไปตามที่เรามอง น sure we uh ั้นสายตามีคุณจะทอบประมาณสักอ่าช่วงที่เราเดินห้าเก้าสิบเก้าเราก็จะได้อสํารวมนะสํารวมจิตสํารวมใจเราอยู่ในการเคลื่อนไหวนี่ตลอดเวลาเรายกเท้าขึ้นกําหนดรู้กําหนดรู้ตามธรรมชาติไม่ต้องกำหนดรู้แบบหนักเกินไปกําหนดรู้การเคลื่อนไหวในช่วงแรกเราอาจจะกําหนดรู้ยังไม่ได้แล้วก็เดินไปก่อนจนกว่าจะ การติดหนูนี่กำลังเริ่มก้องไวมันก็จะต้องหนูรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกเราสงสัยเราอ่าไม่แน่ใจเราก็อาจจะเดินแบบลังเลแต่วิธีการนี้อาศัยว่าศรัทธาทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จ ะ, ะกำหนดรู้เข้ามาอยู่ปัจจุบันแล้วสติมันก็จะเขึ้มแข็งขึ้นเองในกรณีที่เราไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะหรือไม่มีคนที่ให้รายละเอียด เราจะทําห้องเราเองก็อาศัยการชี้นะอย่างนี้นะจนกว่าเราจะกําหนดรู้ได้ว่าขณะที่เราเดินใช้เวลาสัก 20-30 นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราชอบใจแต่ถ้าสมมตว่าเราทํำด้วยความรังเลความไม่ชอบใจเราก็อาจจะเดินไม่ไม่ถึง 2-3 นาทีเราอาจจะเลิกแต่เราเดินด้วยความศึกษาด้ยความพิจารณาเอาใจใส่ศึกษาสิ่งที่กําลังเดินว่าทำไมจึงเดินเดินแล้ว เป็ยังไงดูไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคิดก็คิดไปเรื่อยๆไม่หยุดจนกระทั่งว่สติมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมันจะเริ่มมาดูความรู้สึกความรู้สึกในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแต่ในกรณีที่เราเดินแล้วเนี่ยมันไม่จิตของเรามันไม่ อ, อยู่กับปัจจุบนันก็แสดงว่าสติมันยังไม่เกิดถ้าสติมันเกิดเนี่ยมันจะกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวด้วยจิตเฉยๆโดยที่ไม่ต้องนึกคิดคงแต่งอะไรให้มันมากเริ่มกันเลยพยายามศึกษาเรียนรู้ เข้า ใ, ใจในสิ่งที่กําลังทําอยูนะ่เพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ตามให้ใจอยู่ตรงนั้นนี่ก็เรียกว่ามีอ่การศึกษามีสมาธิเหมือนกับเราเขียนหนังสือจิตใจก็เลจดจ่อกับการเขียนการนึกที่จะเขียน<ม>เราเดินตร<ม>งคงเราก็จิตใจจดจ่อในการเดินนึกในการที่จะเดินอย่างไรก้าวหน้าถอยกลับเดินถูกเดินผินดอย่างไรมันก็ไม่ต่างกันนะ <c oughs> แต่ว่า